สิกขาบทที่ส0ถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนผู้ถืออาวุธในสิกขาบทที่สบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัตบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกายสุรุสุรุรวัคที่หกจบ